อันนี้ก็มีหน้าเดิมๆ เ, เป็นยังไงมาฟังหลายวันลวเอาไปปฏิบัติว่างกอเข้าหูซ้ายออกหูขวาธรรมะนี่มีไว้เพื่อเอาไปฆ่ากิเลสฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลง ค่าความอยากถ้าฟังแล้วปฏิบัติแล้วกิเลสยังเท่าเดิมก็ไม่ได้ผลผลอยู่ที่จำนวนของกิเลสตัณหาว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงบางคนปฏิบัติแล้วมากขึ้นหลงตัวเองมากขึ้น คิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้แทนที่จะก้าวหน้ากลับถอยหลังเ๋ย่ไปหลงคิดว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่รู้จริงแล้วจะไม่หลงตนถ้าไปหลงตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ อันนั้นเป็นความหลงฉะันปฏิบัติต้องละมัดระวงังเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นอะไรบ้างการปฏิบัตินี้เราดูตรงที่ว่า ความอยากน้อยลงหรือเพิ่มมากขึ้นความโลภน้อยลงหรือเพิ่มมากขึ้นความโกรดน้อยลงหรือเพิ่มมากขึ้นความหลงน้อยลงหรือเพิ่มมากขึ้นความหลงก็คือแอนตัวในในสิ่งที่ไม่มีตัวตน ถ้ายังเห็นว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่ก็แสดงว่าเห็นเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนต้องไม่เห็นต้องไม่มีตัวตนต้องไม่ได้เป็นอะไรถ้ายังเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็ยังหลองอยู่นี่คือ การวัดผลของการปฏิบัติวัดดูว่าใจสงบหรือไม่สงบสบายหรือไม่สบายอันนี้ไม่ต้องถามใครปฏิบัติไปแล้วบอกว่าสันติโกผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์ ธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เห็นได้ด้วยตนเองเหมือนกับเวลาเราไม่สบายร่างกายไม่สบายต้องถามหมอเลยว่าอยู่สบายหรือไม่สบายเราสบายหรือไม่สบายที่เราไปหาหมอก็เพราะว่าเราไม่สบายหมอเนะี่ยไม่รู้ว่าเราไม่สบาย หมอจึงต้องถามว่าไม่สบายตรงไห น, นตรงศีรษะตรงหน้า อ, อกตรงท้องหมอไม่รู้หรอกถ้าเราไม่บอกแต่เราน่ะรู้เรารู้ว่าเราปวดท้องเราปวดหัวก็ต้องอธิบายให้หมอฟังหมอเขาจะได้รักษาถูกว่าเป็นอะไร แต่ได้หายามารักษาให้ถ้าเราบอกหมอผิดหมอเขาก็รักษาผิดใจของเราก็เหมือนกันเหมือนกันกบร่างกายใจเราโลภเราโกรธเราหลงเราไม่รู้เลอเวลาเราโลภมั่เป็นยังไงเวลาเราอยากมันเป็นยังไง เวลาเราหลงแล้วมันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์มันสงบหรือไม่สงบให้ดูตรงที่สงบหรือไม่สงบอยู่เป็นสุขหรืออยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าหรือต้องมีนู่นมีนี่มาให้ความสุข ถ้าต้องมีนู่นมีนี่ก็แสดงว่าโลภแล้วอยากแล้วอยากมีกาแฟดื่มอยากมีหนังดูอยากมีเพลงฟังอยากมีแฟนมาเป็นเพื่อนอันนี้คือความโลภทั้งนั้นะความอยากทั้งนั้นแล้วพอไม่ได้เป็นยังไงโกรธหรือไม่โกรธ เาใครมาขาดขวางไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใจเป็นยังไงโกรธหรือไม่โกรธแล้วแก้อย่างคนที่เขาทำให้เราโกรธแล้วมันหายโกรธหรือเปล่ามันต้องหยุดความอยากสิต้นเหตุที่ทำให้เราโกรธ อย่ากได้แฟนพอไม่ได้แฟนก็โกรธก็เปลี่ยนใจถ้าไม่เอาแฟนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้พออยู่คนเดียวได้ไม่มีแฟนก็ไม่โกรธใครใครจะเอาใครจะเอาแฟนไปก็เอาไปเราอยู่คนเดียวได้คนที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่ต้องอยู่คนเดียวได้ ต้ไม่มีอะไรนะไม่มีลาบก็อยู่ได้ไม่มียศก็อยู่ได้ไม่มีสรรเสริญก็อยู่ได้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะก็อยู่ได้ไม่มีร่างกายก็อยู่ได้นนะคนที่ไม่มีความโลภเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ต้องการอะไร ถ้ายังต้องการอยู่ก็แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีความอยากอยู่ทำของพระพุทธเจ้านี้เป็นทำที่ลึกซึ้งที่ผู้ที่ไม่ได้สัมผัสจะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรและการสัมผัสนี้ก็ไม่ได้สัมผัสจากการนึกคิดขึ้นมา การสัมผัสนี้ต้องเกิดจากการคลิกใจหยุดความอยากต่างๆหยุดความโลภความโกรธความหลงถึงจะเห็นความมาสัจจันของธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาที่ไม่มีความอยากนี่มันเป็นอย่างไรเวลาที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่มันเป็นอย่างไรอันนี้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ เหมือนกับเราไม่เคยไปเมืองนอกเมืองนานั่งคิดไปยังไงมันก็มันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ไปต้องไปมันถึงจะเห็นว่ามันเป็นอย่างไรถ้านั่งนึกนั่งคิดไปมันก็เป็นเพียงความนึกความคิดเต่ละเองคนที่นั่งคิดว่าโอ้ยเราถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นนี้แล้ว เราตัดอันี้ได้แล้วตัดไอ้นั้นได้แล้วตัดในทางความนึกคิดหรือตัดในการปฏิบัติอยู่โดยไม่มีราบยศสารเสดได้หรือเปล่าอยู่โดยไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดได้หรือเปล่าอยู่โดยไม่มีร่างกายได้หรือเปล่าร่างกายจะอยู่ร่างกายจะไป เดือด น, น้อนหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราใช้วัดผลของการปฏิบัติดูว่าใจวางเฉยได้กับการพัดพรางจากทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หรือเปล่าพัดพรางจากลาบยศสรรเสริญพัดพรางจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ พัดพลาจากร่างกายนี้ไปได้หรือเปล่าถ้าพัดพลาดได้ไม่เดือดร้อนเงินจะหายไปหมดก็ไม่เดือดร้อนตำแหน่งหายไปหมดก็ไม่เดือดร้อนสรรเสริญหายไปหมดก็ไม่เดือดร้อนรูปเสียงกลิ่นดต่างๆหายไปหมด ก็ไม่เดือดร้อนร่นางกายจะหายไปก็ไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นการวัดผลของการปฏิบัติวัดที่ใจของเราหรือว่าใจของเราเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายสงบหรือไม่สงบสบายหรือไม่สบาย อันนี้ไม่ต้องไปถามใครมาถามเราเราก็ไม่รู้หรอกผมหนูสบายหรือเปล่าจะไปรู้เลยคุณสบายหรือไม่สบายก็คนต้องรู้ตัวของคนเองนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าสาทิติโก ผู้ปฏิบัติจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าตนมีธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามีนิพพานังปะละมังสุญญงหรือเปล่ามีนิพพานังปะละมังสุขขังหรือเปล่าผู้คิดไปคิดว่านิพพานสุขก็ไปแนละ้วเนี่ยไปไหนไป ไปหลงไปดาวไหนดวงไหนแล้วนิพพานสูญจิตสูญปฏิบัติถึงนิพพานแล้วสูญหมดหายหมดอะไรสูญไมาดูว่าอะไรสูญพอหลงนิพพานสูญก็คิดว่าจิตสูญจิตสูญใครอยากจะไปลนะ่ะใครอยากจะไปนิพพานถ้าต้องเสียจิตไปสูญเสียจิตไป ไปถึงนิพพานแล้วหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยอันนี้ก็คนนึกคิดก็คิดว่าหายไปหมดแต่สิ่งที่มันหายก็คือสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่หายไปความอยากในสิ่งต่างๆหายไป รูปเสียงกลิ่นลสหายไปลาบยศสรรเสริญสุขหายไปร่างกายหายไปของพวกนี้มันต้องหายอยู่แล้วไม่ว่าจะไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานแต่ใจมันเป็นยังไงกับเวลาที่มันสูญกับของเหล่านี้ถ้ามันสูญแล้วมันสุขเรือ่องสูญแล้วมันทุกข์ ดูตรงนั้นนิพพานังปัลลังศุลยังนิพพานังปัลมังสุขขังมันศูนย์แต่มันสุขอันนี้สุลแบบสุขกับศูนย์แบบทุกพวกเราศูนย์แบบไหนศูนย์แบบสุขหรือศูนย์แบบทุกขเวลาสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกล็ดลดสูญเสียร่างกายนี้ สูญเสียแบบสุขหรือสูญเสียแบบทุกข์ถ้าสูญเสียแบบทุกข์ก็ไม่ใช่ธรรมถ้าสูญเสียแบบสุขก็เป็นธรรมตอนนี้พวกเราไม่เห็นธรรมเห็นแต่อาธรรมเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นธรรมเพราะพวกเราไม่ได้ปฏิบัติ ใหาจิไม่ได้ปฏิบัติต่อให้ได้ยินได้ฟังทำ ม, มากน้อยเพียงไรให้ท่องพระตไตรปิฎกได้ทั้งเล่มก็ยังไม่เห็นธรรมธรรมที่เห็นไม่ใช่เป็นธรรม เ, เรียกว่าไมาลานเปล่าโปเทลัสไมาลานเปล่าเคยได้ยินชื่อพระโปธิรัสไหมไมลานเปล่าพระเทละร่ปนี้ท่าน ทองพระไตยปิดกได้แต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอหน้าก็ไม่เคยยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนที่มีธรรมแต่ก็ บ, บอกว่าเป็นคนที่มีใบาลานเปล่าไม่มีธรรมไม่ใช่ธรรมการท่องจำธรรมะได้นี่ไม่ได้เป็นธรรมเป็นใบาลานเปล่า เพราะกิเลสความโลภความโกรธความหนงตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจก็ยังมีอยู่เท่าเดิมมันไม่ได้หายไปจากการท่องจำเพราะตายปิดอกมันจะหายจากาการปฏิบัติธรรมเท่านั้นพระโพธิรัตน์หลังจากได้ยินได้ฟัง พระพุธเจ้าว่ากล่าวตักเตือนก็เลยรู้ว่าต้องไปปฏิบัติก็เลยไปหาพระที่เป็นพระอาหารหันต์ให้เป็นผู้สอนให้ไปที่สำนักมีแต่พระอาหารหันต์ไปก็ไปหาหัวหน้าไปกราบขอ ให้ท่านช่วยสั่งสอนพระหัวหน้าท่านก็อ้างว่าท่านพรรษาน้อยกว่าพระโพธิรัตน์ท่านไม่สามารถที่จะสอนได้ก็ให้ไปถามพระรูปอื่นพระรูปอื่นที่เป็นพระอาหารหันต์ก็ตอบเหมือนกันว่าผมสอนท่านไม่ได้หรอกผมท่านเป็นพระผู้ใหญ่ผมเป็นพระผู้น้อย จนไปถึงสัมมเนนสามมาเนนก็เป็นพระอาหารหันต์หมืนกันสัมมาเนนก็จะตอบว่าไม่ได้สอนไม่ได้เหมือนกันพระที่เป็นหัวหน้าท่านก็เลยบอกกับสัมมเนนว่าไม่สมเคาะท่านซะหน่อยเลยไม่รับท่านมาเป็นลูกศิษย์สามมาเนนก็เลยอ้าวให้ผมสอนก็สอนได้ แต่ท่านต้องเชื่อฟังผมท่านต้องเป็นลูกศิษย์ผมนะอย่งแม้ว่าผมเป็นสัมมณีแต่ท่านเป็นมหาเถระแต่ถ้าเรื่องของอาจารย์กับลูกศิษย์นี่มันไม่ได้อยู่ที่พรรษานะมันอยู่ที่ความเลื่อมใสศรัทธานนะถ้าท่านเลื่อมใสศรัทธานในตัวสั ม, มเณีท่านก็ต้องยอมรับใช้สัมมณี น, นะ ท่านก็ บ, บอกยินยอมยินดีที่จะรับใช้สมมเนนต่เขารบเชื่อฟังสมมเนนเป็นครูเป็นอาจารย์สมมเนนก็ไม่เชื่อแต่ก็รับไว้ก่อนแล้วก็ทดลองดูพิสูจน์ดูว่าเชื่อจริงหรือไม่เขารบจริงหรือไม่ก็ให้ ทำงานรับใช้อะไรสา ม, มนเณรต่างๆให้กวาดถูกุฏิให้ซักทีวรให้ล้างบาดรล้างกระโถนอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรก็สั่งให้ไปหามาให้บางทีก็หลอกให้ลุยลงไปในน้ำให้ไปหยิบของที่มีในน้ำพอลงไปกลางน้ำยัง ก็หมอไม่เอาละเปลี่ยนใจพระเถระพระโพธิละขันตก็ไม่มีแสดงอาการไม่ไม่เขาลบ ก, ก็ยังเขาลกอยู่เหมือนเดิมเชื่อฟังอยู่เหมือนเดิมโยนสมัมเนนเห็นว่าเชื่อฟังจริงๆเขาลกจริงๆถึงสอนธรรมะ ท่้ก็สอนพระเทละ่าว่ า, ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกใหญ่อยู่อันหนึ่งมีทางเข้าออกอยู่หกช่องด้วยกันในนี้มีตัวเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งถ้าอยากจะจับตัวเหี้ยนี้ต้องปิดทางเข้าออกางาทางเปิดไว้ทางเดียวแล้วไปคอย นั่งรออยู่ที่ทางนั้นเดี๋ยวมันต้องเข้าออกทางนั้นถ้ามันมีหกทางนี้ถ้าเปิดไว้มันหมดเราคนเดียวเราจะไปจับมันเรามาตั้งเรามารอช่องนี้มันไปออกช่องนู้นก็จะจับมันไม่ได้อันสอนพระเทระวิธีจับตัวเฮี้ยให้ปิดทางเข้าออกห้าทาง ให้เปิดเหลือทางเดียวแล้วทางกะเปรียบเทียบ ว, ว่ากิเลสตัณหาความอยากต่างๆมันก็เหมือนตัวเฮยเลยมันเข้าออกมีทางออกหกทางด้วยกันมันมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันออกไปทางตาออกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจถ้าอยากจะจับมันก็ต้องปิดทางเข้าออกซะ ห้าทางให้เหลืยวไว้ทางเดียวให้มันเข้าออกก็ให้ปิดตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าสำมรวมอินทรีย์ไม่ดูไม่ฟังไม่ริมรส ด, ดมกลิ่นไม่สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วก็ให้มาจดจอ่อเฝ้าดูที่ใจ มันจะออกมาตรงที่ใจถ้ามันออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มันก็จะมาออกที่ใจคอยดูมันออกมาก็ฟันมันเลยพอตันหาโผล่ขึ้นมาก็ฟันมันเลยอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ฟันมันอยากมีอยากเป็นก็ฟันมันเดี๋ยวมันก็ตายหมดเดี๋ยวไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา การเป็นพระ้าล้านไม่ได้อยู่ที่การท่องตํารานะท่องไปอย่างสมัยนี้เข้าเรียนประลงประเรียนกันก้ารประโยคเรียนไปมันไม่ได้ไปเจอตัวตันหาตัวกิเลสนะเพราะมันไม่ได้ปิดทวารทั้งห้ามันไม่ได้ไปเฝ้าดูตรงนั้นมันไปงัวแต่ท่องชื่อของธรรมต่างๆจําได้หมดอ อริยสัจสี่มีอะไรมากแปดมีอะไรอินสี่ห้ามีอะไรพระห้ามีอะไรอันนี้เป็นชื่อไม่ใช่เป็นตัวตัวของธรรมอยู่ที่ใจต้องมาดูที่ใจจะมาดูที่ใจก็ต้องมีสติมันถึงจะมาที่ใจถ้าไม่มีสติมันก็จะไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแทน มันจะไปที่รูปเสียงกลิ่นรสทำไมติ่นขึ้นมานี่ใจมันไปไหนแนละไปทางตาหูจมูกลินกายแนละ้วตื่นขึ้นมาก็อยากแนละ้วอยากกินอยากดื่มอยากขับทายอยากอะไรต่างๆไปทางตาหูจมูกรินกายหถ้ามันออกไปทางนั้นแล้วตามมันไม่ทันจับมันไม่ไหว ปิดทางนี้ปิดตามันก็ไปทางมันก็ไปทางหูพอไม่ให้ดูมันก็ไปฟังพอไม่ให้มันไปฟังมันก็ไปดืม่มต้องปิดมันทั้งหมดแล้วก็ต้องใช้สติดึงให้มันเข้าข้างในพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามีพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะไปทางตามไม่ได้ทางหูไม่ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ได้ มันจะไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงลูกเสียงกลิ่นลดไม่ได้ถ้ามีพุโทโธพุโทโธนี้มันก็จะดังนับการไปทางตาหูจมูกกลิ่นกายเหมือนกับเป็ดเทวานแล้วมันก็จะดึงให้เข้ามาดูที่ใจพอมีสติมันก็จะเห็นเห็นใจว่าสงบหรือไม่สงบอยากหรือไม่อยาก โลภหรือไม่โลภโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือไม่หลงอันนี้แหละคือวิธีที่จะเห็นธรรมที่จะบรรลุธรรมต้องเห็นด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติด้วยการปิดทวารทั้งห้าตาหูจมกูกลิ้นกายวิธีปิดก็ถือศีลแปด่ง ถ้าไม่ถือศีลแปดก็แสดงว่ายังเปิดอยู่ใช่ไหมอยากจะร่วมหลับนอนนี่ก็ไปทางร่างกายนละอยากจะกินก็ไปทางปากนะทางลิ้นนะอยากจะดูอยากจะฟังอยากก็ไปทางตาทางหูแนละไปทางลูกทางเสียงพอถือศีลแปด น, นี่ปิดแล้วห้ามนอนนะอ้ามนอนให้นอนคนเดียว อามกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วให้กินเพื่อร่างกายร่างกายมันต้องกินถ้าไม่กินมันตายก็ให้มันกินมันละมือ้อแต่ไม่ต้องกินตามความอยากเราต้องการที่จะจับตัวความอยากนี่ถ้าปล่อยให้มันออกไปทางเรื่องกินก็จับมันไม่อยู่มันก็จะกินอยู่เรื่อย ใช่ไหมไม่เคยถือศีลแปดนี่พอจะถือนี่เป็นยงไงมันยอมมันไม่ยอมนะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราทันทีนี่คือกัรหาความอยากมันออกไปทางทวารทั้งห้าเราต้องปิดมันปิดด้วยศีลแปดปิดตาหูจมูกนิ้นกายปิดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย เพื่อที่จะได้มาเจริญสติเพื่อที่จะได้มาดึงใจให้เข้าข้างในให้มาดูที่ใจดูช่องที่กิเลสตัณหามันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เอาปัญญามาฟันมันเอาไตรลักษณ์มาฟันมันเอาอั น, นิจจังทุกขังอนัตตามาฟันมันถ้าจะดูจิตให้ดูแบบนี้ให้ดูว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาเรื่อยง โอแล้วมีมีดฟันมันหรือเปล่ามีตายลักฟันมันหรือเปล่ามีเอาสุภะฟันมันหรือเปล่าเวลาคิดถึงแฟนนี่เอาอวสุภะมาฟันมันได้หรือไม่เวลาคิดถึงอะไรเอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาฟันมันได้หรือเปล่าถ้าฟันมันได้มันก็ตายถ้าฟันมันไม่ได้มันก็ไม่ตายนี่ คือวิธีบรรลุธรรมวิธีเห็นธรรมนะต้องเห็นที่ใจไม่ได้เห็นที่พระไตรปิฎกไม่ได้เห็นที่หนังสือธรรมะแต่หนังสือธรรมะหนังสือพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นคําสอนที่ชี้ให้มาดูที่ใจนี่จะว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่มีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดคือ มันไม่มีหน้าที่ที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ dai. หนังสือพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะนี้มันไม่มีหน้าที่ที่จะทำให้เราบรรลุธรรมมันมีหน้าที่บอกให้เราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้บรรลุธรรมถ้าเราอ่านแล้วฟังแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็บรรลุธรรมไม่ได้มันก็เห็นธรรมไม่ได้ มันก็ได้แต่จําชื่อของธรรมจาชื่อวิธีของการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างต้องทําทานต้องรักษาศีลต้องเจริญสติต้องเจริญปัญญาอันนี้เป็นชื่อของการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรียนแล้วก็ไม่นําเอาไปปฏิบัติผลมันก็จะไม่เกิดขึ้น เรียนแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัต so ิต้องไปปิดทวารทั้งห้าศ so so, ีลนะศีลก็คือการปิดทวารทั้งห้าสํารวมอินรีตาหูจมูกวิ้นกายด้วยการถือศีลแปดถ้าถือศีลห้านี่ยังไม่สํารวมตาหูจมูกนิ้นกายเพียงแต่สํารวมการกระทาบาปกา ก า, การถือศีลห้าจริงไม่มีกำลังพอที่จะไปตามฆ่ากิเลสได้เพราะทะวารทั้งหกมันยังเปิดอยู่หมดถ้าถือศีลแปดนี่มันไปปิดทวารสะห้าทวาะปิดตาหูจมูกลิ้นกายก็เหลือทวารเดียวก็คือใจบางทีแล้วก็ต้องใช้สติให้ดึงจิตมาดูใจให้ได้ ถ้าไม่มีสติจิตมันก็จะวิ่งไปหาลูกเสียงกลิ่นรสนะถึงแม้ถือศีลแปดมันก็ยังอดคิดถึงอาหารไม่ได้เย็นๆหิวไหมพวกถือศีลแปดเนี่ยหิวเพราะมันนึกถึงอาหารเนี่ยเคยกินเมื่อเย็นพอ ต, ตกเย็นปับ๊บมันก็คิดถึงอาหารเพราะมันไม่มีสติดึงใจให้มาเข้าข้างในพอไม่มีสติมันก็พุ่งพูดไปหาอาหารเย หาลูกเสียงกลินรสต่างๆฉนังถือศีลแปดแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้หยุดตันหาได้เพียงแต่ว่าไม่ให้มันออกไปทางตาหูจมูกนิ้วกายปล่อยให้มันดิ้นอยู่ในใจดิ้นด้วยความอยากดิ้นด้วยความคิดถ้าจะให้มันตายก็ต้องใช้สติใช้ปัญญา ถ้าใช้สติก็ทําให้มันนิ่งแต่มันยังไม่ตายถ้ามันตายก็ต้องใช้ปัญญาถ้าคิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงอาหารเลยปฏิปุระสัญญาอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานให้คิดถึงอาหารที่เวลาอาเจียนออกมาเวลาสำลักออกมาเวลาถ่ายออกมานั่นก็เป็นอาหารทั้งนั้น ถ้ามันเห็นอาหารที่ถ่ายออกมาแล้วมันก็จะหายหิวหายอยากถ้ามันเป็นไปเห็นอาหารอยู่ในจานนึกถึงอาหารอยู่ในจานมันก็จะหิวโหวยขึ้นมาหิวโหวยเพราะความอยากพอเห็นอาหารที่ไม่น่ากินมันก็หายอยากดูอาหารเก่าอย่าไปดูอาหารใหม่ อาหารใหม่อยู่ในจานอาหารเก่าอยู่ในโถส้วงเอถ้าเห็นอาหารเก่าแล้วก็หายหิวอิ่มเลยกินไม่ลงลถ้าเขาเอาอาหารเก่ามาใส่จานแล้วมาตั้งให้เรากินเรากินลงไหมอาหารของเราเลยไม่ใช่อาหารของใครหรอกเวลาถ่ายเราจารย์ไปลองไว้สิเราถึงเวลาจะกินก็มาตั้งดูมัน ทำไมหมามันกินทำไมหมามันกินได้ทำไมคนกินไม่ได้ใครฉลาดกว่ากันหมาหรือคนหมากินอาหารเก่าคนกินอาหารใหม่หมามันกินได้ทั้งสองอย่างอาหารใหม่มันก็กินได้อาหารเก่ามันก็กินได้มันมันเก่งกว่าคนใช่ไหม คนกินได้แต่อาหารใหม่อาหารเก่ากินไม่ลงอันนี้คือวิธีฆ่ากิเลสเนี่ยปัญญาของตระเจ้าอันนี้ไม่ได้พูดสัปปรพดนไม่ได้พูดสกปกพูดความจริงอาหารมันเป็นอาหารเพียงแต่ว่ามันข้ามวันไปเท่านั้นเองมันเปลี่ยนจากสภาพมันเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายก็ไปแปลงสภาพเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามันเท่านั้นเอง มันก็เป็นอาหารเหมือนเดิมมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมแต่กิเลสไม่ชอบท่าหนหึงเอามาฆ่ากิเลสกันเข้าใจไหะอย่าไปลังเกยียจธรรมของพระเจ้านะธรรมพระเจ้านี่แหละที่จะมาเป็นตัวที่ฆ่ากิเลสตัณหาเนี่ย่ารังเกยียจธรรมพระเจ้านั่นอสุภะไม่ชอบดูกันอาหารเก่าไม่ชอบคิดกันไม่ดูกัน ความตายไม่มองกันซากศพไม่ยอมมองกันอันนี้แหละอาวุธของพระพุทธเจ้าปัญญารู้เปล่าอาวุธที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้ตายไปหมดดูความตายดูซากศพแล้วมันจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ยึดติดกับซากศพเนะี่ยร่างกายเรานี้มันเป็นอะไรมันเป็นซากศพที่ยังเดินได้เท่านั้นเองตอนนี้ยังมีลมหายใจยอยู่ก็ยังไปไหนมาไหนได้ พอไม่มีลมหายใจแล้วมันจะไปไหนมันก็เป็นซากศพพอเป็นซากศพก็ไม่เอาแล้วเสษ็จที่นี้ไม่มีขยะได้แล้วเวลามีมลมหายใจนี่โอ้โหห่วงกันแทบเป็นแทบตายยาฆ่ากันตายก็เพราะซากศพอันนี้ซากศพ ท, ที่หายใจได้พอหายใจไม่ได้แล้วไม่ฆ่ากันตายแล้วขยกได้ออกไปเลยแทนพอไม่มีลมหายใจแล้วใครอยากจะได้เอาไปเลย ยกให้เลยร่างกายนี้ตายไปแล้วใครจะเอาไปยกให้เลยนะยกให้โรงพยาบาลเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังอยู่นี่ไม่ยอมให้ใช่ไหมยังมีลมหายใจอยู่นี่ยังไม่ยอมให้แต่เพราะไม่มีลมหายใจนี่ยกให้เขาเลยดูสากศพ บ, บ่อยๆเราจะได้ยกให้กับสับปเปล่าไปเลยทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ตาย ถ้าเรายกให้ได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายเราก็สบายอยู่กับร่างกายได้โดยไม่ต้องมิตกกังวลมันจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะรู้แล้วมันต้องเป็นใช่ไหมมันจะมันจะอยู่ไปได้ค้าฟ้าอย่างไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องไม่มีลมหายใจเมื่อมันไม่มีลมหายใจมันก็เป็นซากศไป ไ ม, ม่เป็นสร้างส่วนไปแล้วมีใครเอาไม่มีใครเอาเจ้าของก็ไม่เอาใจก็ไม่เอาแล้วใจก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทิ้งให้เป็นภาระของคนอื่นไปแล้วทิ้งให้เป็นภาระของคนที่ยังอยู่ต้องเอาไปมอบให้กับสั ป, ปเลรเพื่อสั ป, ปเหร่จะได้เอาไปทำชาปนกิจเอาไปเอาไปแยกธาตุการชาปนกิจก็คือเอาไปแยกธาตุแกดินยากนะ้ำ แยกน้ำแยกลมแยกไฟให้มันไปคนละทางกันตอนนี้มันอยู่ในร่างกายม่นรวมกันอยู่ร่างกายมีน้ำไหยน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำมือมีลมไหมลมเข้าลมออกอยู่นี่มีไฟไหัหยความอบอุ่นของร่างกายนี้เป็นไฟหรือเปล่ามีดินหรือเปล่าผมขนเล็บฟันนี่ของแข็งนี่มันเป็นดินหรือไม่ใช่ พอเวลาตายไปแล้วเขาก็เลยเอาไปแยกเหมือนกับเวลาหมูตายเ ป, เป็ดไก่ตายนี่เขาไปแยกกันที่ตลาดแต่คนนี้เขาไม่ไปแยกที่ตลาดเพราะไม่มีคนซื้อแต่หมูเห็ดเป็ดไก่นี่เขาไปแยกที่ตลาดได้มีคนซื้อบางคนก็ซื้อตับบางคนก็ซื้อไตบางคนก็ซื้อลำไส้ ซื้อเนื้อบางคนก็ซื้อกาดูกะดูกไก่นะต้องกินแล้วอร่อยนะนร่างกายเราก็เป็นป่าชาดีๆนี่ป่าชาของเป็ดของไก่ของหมูของปูของปลาเยเรากินของตายแล้วอยู่กับของตายแต่กลับไปกลัวของตายอยู่กับของตายมาตลอดกินของตายมาตลอด ไม่พิจารณากันก็เลยถูกความหลงความโง่มันหลอกเราหลอกเราให้เรากลัวกลัวตายกลัวผีกลัวซากศพก็อยู่กับซากศพมาตั้งแต่วันเกิดถ้าไม่กลัวซากศพมันมาจากไหนผีมันมาจากไหนมันก็มาจากร่างกายนี้ที่เราอยู่ก็มันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ เวลาเราไม่มีสักเวลาเราไม่มีลมหายใจแล้วคนที่เคยอยู่กับเรานี่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาไม่ให้เราอยู่กับบ้านขเขาแล้วเขาย้ายสมมโครัวเราส่งไปที่วัดแล้วสมมาสมโนสมโนครัในชื่อสมมโครัวก็ว่ายแทงออกแล้วตายไม่ได้อยู่ในบ้านนี้แล้วนี่แหละคือปัญญาอาวุธที่จะฆ่า กิ เ, เลสตังหาความอยากความอยากอยู่ความอยากไม่ตายนี่มันเป็นไปได้ที่ไหนความอยากไม่ตายนี่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องตายพออยากไม่ตายมันก็ทุกเวลาที่จะตายแต่ถ้าไม่มีความอยากไม่ตายร่วมมันต้องตายร่วมอยู่กับสร้างสมดีๆนี่เองเราจะไปอยากให้มันไม่เป็นสร้างสมได้ยังไงเพราะ พอรู้ว่าเราอยู่กับชาตศโสกมันจะเป็นชาตศโกห้ามมันเป็นไปสิกระทำนั้นเองห้ามมันได้หรือเปล่ามันก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีเราไปทุกข์กับมันทําไมทุกข์แล้วได้อะไรทุกข์ก็ได้แต่ความเครียดทุกข์ก็ได้แต่ความไม่สบายใจความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุข คนที่ไปหาหมอหมอบอกว่าเลยอีกสามเดือนหเดือนนีไม่มีความสุขแล้วไม่มีกระจิตกระจายที่อยากจะอยู่แล้ว ท, ทั้งที่ก่อนจะอนก่อนจะไปหาหมอยังวางแผนจะไปเที่ยวที่นั่นยังจะไปซื้อคอนโดยังจะไปซื้อเพ้นซื้ออะไรแต่พอไปหาหมอหมอบอกว่าเหลือหกเดือนสมเดือนไม่มีกระจิตกระใจจะอยู่แล้ว นี่คือกิเลสตันหาถ้าไม่มีตันหาความอยากจะอยู่พอหมอบอกถึงเวลาไปไปก็ไป เ, ไป เ, เตรียมตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วก็ต้องไปไม่มีไม่เห็นมีปัญหาเลยนี่คือการใช้ปัญญาใช้สติใช้สติสตดี่มใจให้เข้ามาดูตัญหาที่มันโผล่ขึ้นมาในใจแล้วก็ใช้ปัญญา ฆ่ามันมันอยากกินก็ใช้อาหารเก่ามาฆ่ามันมันอยากอยู่ก็ใช้ซากศพมาฆ่ามันมันเป็นความอยากที่ทำให้เราทุกข์พอไม่มีความอยากกินแล้วต่อให้อดอาหารเจ็ดวันสิบวันมันก็ไม่หิวทุกครั้งที่หิวไม่ไม้ในอาหารเก่ามันก็กินไม่ลงอยู่ดีต่อให้มันอดกี่วันถ้าให้มันกินอาหารเก่ามันก็ไม่ยอมกิน แต่ถ้าข้าวเปล่าๆนี่มันยังกินได้ถ้าไปนึกถึงข้าวเปล่ า, าถ้าอด อ, อาหารสักสามวันเจดวันนี่ได้กินข้าวเปล่ า, า, าก็อร่อยแต่ถ้าให้มันคิดถึงอาหารเก่ามันไม่ ม, ไ ม, มันไม่อร่อยมันกินไม่ลงอยู่ดีเนี่ยวิธีดับความหิวดับความอยากพวกที่มาถือศีลแปดพวกที่มาบวชถ้ามีปัญหาให้พยายามเราลดถึงอาหารเก่าอยู่เรื่อย แล้วมันจะไม่เดือดร้อนเรื่องกินข้าวเย็นนี่หายปัญหาหายไปหมดเรื่องความตายก็คิดถึงซากศพอยู่เรื่อยมองซากศพอยู่เรื่อยมองร่างกายของเราว่ามันก็เป็นซากศพดีๆนี่เองเพียงว่าตอนนี้มันยังมีลมหายใจก็เรา ย, ยังชาระความสะอาดความสกปรกมันได้อาบน้ำให้มันได้ทำอะไรให้มันได้ แต่พอไม่มีลมหายใจนี่มันมันเริ่มไปละเริ่มเน่าละเริ่มผุเริ่มพองขึ้นมาแล้วพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ใจสงบทำให้ใจสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นของใคร ของเรารือของคนที่เราละก็เหมือนกันอครจะเป็นอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นมีใครไม่เป็นบ้างมันเป็นสร้างสดมาตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่แล้วเด็กที่คอข้อออกมาตายมันเป็นอะไรคอข้อออกมาตายมันก็เป็นสร้างศพทันทีใช่ไหมอยู่กับสร้างศพแท้ๆกลับไปกลัวซรางศพ กลับไปรังเกียจซากศพทั้งๆ ท, ที่อยู่กับซากศพแต่ซากศพอันนี้ยินดีโอ้ดูแลรักษามันอย่างดีทําเผาทําผมย้อมสีเขียวสีแดงทําเล็บทําฟันทําอะไรจิร้อยแปดพันประการตอนที่มันมีลมหายใจนี่ทําให้มันได้ เรไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีใครยอมทําใหนะ้มีแต่จะให้ไปเผาก็อย่างเดียวคิดถึงสร้างสมบัดีอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราปล่อยวางร่างกายนะต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับร่างกายเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเพียงสร้างสมที่ในที่สุดเขาก็จะเอาไปจําแนก แยกธาตุเอาไปเผานี่มันก็แยกธาตุไปหมดเลยธาตุดินก็ไปทางธาตุน้าก็ไปทางธาตุลมธาตุไฟก็ไปก่อละทิศก่ละทางนี่คือการเห็นธรรมต้องเห็นด้วยการปฏิบัติไม่ใช่เห็นด้วยการนึกคิดเฉยๆขึ้นมาโอ้ยเราไม่มีกิเลสแล้วเราไม่โลภแล้ว เหนคุณหญิงคุณนายไปฟังเทศหลวงปู่ฟังแล้วบอกโอ๊ยกาบเรียนหลวงปู่ว่าตั้งแต่มาฟังเทศฟังธรรมหลวงปูน่นี่กิเลสหายไปหมดเลยหลวงปู่บอกอีอตอแหลเ <c oughs> ท่า น, นั้นขึ้นเลยกิเลสไม่ร้โผล่มาอย่างไร <c oughs> นะอย่าไปนึกอย่าไปคิดนะตั้งไปพิสูจน์ดู ถ้าคิดว่าไม่กลัวตายลองไปอยู่ป่าช้าดูไปเยี่ยมป่าช้าดูไปอยู่ที่ป่าเปรียวดูอยู่ที่ไหนที่มันมีไผ่มีงูมีเสือมีสิงสาลาสันดูดูว่ายังกลัวตายเลยไหมเนื่องเรื่องกลัวเสือก็มีนิทานให้เรามีพระรูปหนึ่งท่านก็อยากจะไปพิสูจน์ว่าท่านท่านคิดว่าท่านไม่กลัวเสือละ ถ้าไม่กลัวตายแล้วท่านก็เลยไปทุดงไปไปที่มีเสือไปถึงชาวบ้านก็บอกท่านอย่าไปนะตรงนั้นเสือมันดุจริงๆเอยจะไปเราไม่กลัวชาวบ้านเตือนเราไม่เชื่อก็ไปชาวบ้านก็พาไปไปทําแค่ให้ไปนั่งภาวนาเดินจงกรมพอตอนคืนนี่เสียงเสือเริ่มคำราม น่นก็มาจากไกลใจก็ยังเฉยๆอยู่พอมันใกล้ใจมันเริ่มสั่นแล้วพอยิ่งใกลน้นี่โกยเลยอยู่ไม่ได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน้องตะโกนเสเสียเๆๆยเสนะความนึกคิดกับความจริงมันไม่เหมือนกันนี่คือพิศน่ะ บางคนคิดว่าผมไม่กลัวตายแล้วอยู่กับสร้างสมมาตลอดเวลามันยังไม่แน่มันยังเป็นความคิดอยู่มันยังไม่เป็นมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากการเจอของจริงถ้าอยากแน่จริงก็ต้องไปอยู่ถ้าคิดว่าเราไม่มีกิเลสแล้วไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นแล้วนะก็ลองไปบวช ด, ดูเนยะ เหมือนคนที่บอกเลิกเหล้าว่าผมจะเลิกเหล้าเมื่อไหร่ผมก็เลิกได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เลิกเ <c oughs> ขาก็กินก่อน <c oughs> ถึงเวลาจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้อ น, นี้ก็แบบเดียวกันเลิกแบบคิดได้แต่ทำไม่ได้นะธรรมะมันอยู่ที่การปฏิบัติคือสบุบให้ฟังไม่ได้อยู่ที่ความคิด แต่าไปคิดว่าเราไม่มีกิเลสแล้วเราไม่โลภแล้วเราไม่อยากได้นู่นอยากได้นี่พอเผลอนู่นไปเอาและซื้ออะไรมาก็ไปรูไม่เที่ยวละพอเผลอไปโพที่ไหนก็ไปรู mm hmm. เข้าชวนไปเข้าชวนไปแล้ต้องไปเกรงใจเขาแต่ mm hmm. ไม่ต้องไปเกรงใจเขาด้วยถ้าไม่อยากกไปต่อให้ช่างมาฉุดก็ไม่ไปะ เราต้องดูที่การกระทาอย่าไปดูที่ความนึกคิดความนึกคิดมันหลอกเราได้แต่การกระทานี่มันหลอกเราไม่ได้การปฏิบัติต้องปฏิบัติน ะ, ะแล้วเราก็จะเห็นธรรมเราจะเห็นความสงมบเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นความว่างว่าความสงมบนี้ ความว่างนี่คือความสุขคือการไม่มีอะไรไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีลาบยศสารเสิร์ฟความว่างนี่ไม่ใช่แปลว่าศูนย์หายไปความว่างจิตยังอยู่จิตอยู่กับความว่างจิตไม่ได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสจิตไม่ได้อยู่กับลาบยศสารเสิริญจิตไม่ได้อยู่กับร่างกายจิตอยู่กับความว่างร่างกายจะหายไปก็ไม่ ไม่เดือดร้อนลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสจะหายไปก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยถ้าไปถึงจุดนั้นได้แล้วจะเข้าใจคำว่านิบานังปลมังสุญญ์ยังนิบานังปลมังสุขังความว่างนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเอาละวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ขออนุโมทนาให้พร มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ า, าถามจะถามถามตอนนี้นะเนาะตอนเลิกประชุมแล้วอย่ามาถามเนยะเหนื่อยพอแล้วพอเลิกประชุมก็มาถามดนะีตอนนี้ถามไม่ยอมถามนะมีคําถามเข้ามาทางบ้านหรือยังมีข้อเดียวอ่ะอ่าถามมาไปก่อนเดียวพอก็รู้ว่ามีการถามได้เดี๋ยวเขาก็ส่งเข้ามาเอง ว่าเขากลัวส่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวไม่อ่านให้เขาเขาเลยรอให้มีการถามก่อนคําถามจากคุณฟุกผมสงสัยเวลามีคนมาทํางานผ้าป่าหรือกรถินตอนกล่าวคําถวายว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายนั้นถ้าคนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเช่นมีการถวายอาหารหรือสั่งกทานหรือสิ่งต่างๆแก่พระสงฆ์หรือ ว่าแต่คนนั้นไม่ได้ร่วมเงินหรือลงแรงใดๆแต่พอดีเข้ามาช่วงกล่าวคำถวายพอดีคนนั้นจะได้บุญไหมครับทำได้ไหมครับหรือไม่ควรทำจะติดบี้สมไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่คำถวายมันอยู่ที่ของที่เราให้ถ้ามานั่งกล่าวคาถวายแล้วไม่มีของแล้วมันจะได้อะไรใช่ไหนถ้าเอาของมาให้ไม่ได้กล่าวคำถวายนันก็ได้แล้ว การกล่าวคำถวายนี่มันเป็นพิธีกรรมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อยากถวายของพระไม่อยู่เอาไปวางไว้ที่หน้ากุฏิก็ได้แล้วก็ได้ถวายแล้วไม่ต้องมากล่าวคำถวายนคำถวายนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ที่มีก็เพราะว่ามันจะได้ทำให้มันเป็นทางการหน่อย เ, อเหมือนเวลาที่เขาเปิด โรงพยาบาลเปิดอะไรต้องมาตัดริบงริบบินอะไรกันมันตัดไม่ตัดมันก็เสร็จแล้วมันเป็นโรงพยาบาลแล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมอืมนี่มันทําไปเป็นพิธีให้มันดูแล้วมันมันมันเท่หน่อยมันเออมันเป็นทางการหน่อยว่าเออได้มีการหมอห้แล้วนะเอท่านั้นเองแต่ถ้ามันทําแล้วยกให้เข้าไปแล้ว ดังมีพิธีไม่มีพิธีมันไ ม, ไม่ไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้ยาวบริษัส่วนใหญ่ทั้งโลกก็ชอบทำพิธีบางทีทำของร้อยบาทแต่ทำพิธีพันบาทก็มีเพ mm hmm. จะได้เอาไปโฆษณาว่าบริษัทนี้ได้ทำการาทำบุญทำกุศลเอาไปเป็นการโปรโมทบริษัทซะอีกทำแบบนี้ไม่ค่อยได้บุญ เพราะทำแล้วต้องการผลตอบแทนจากการกระทําการกระทําที่ได้บุญคือต้องไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากการกระทําต้องการให้การกระทําของเราเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างจริงจังตัวเราไม่ต้องการผลประโยชน์จากการกระทำอันนี้เลยก็ถึงบอกพวกที่ปิดทองหลังพระเนี่ยได้บุญเยอะพวกที่ทําบุญแล้วไม่กล่าวนามเนี่ยผู้ไม่ประสงค์ออกนามทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้ที่ได้บุญเยอะ เขาเขาทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภแอบแฝงพวกที่ทําแล้วมีการถ่ายรูปเป็นลงหนังสือพิมพ์ไปโฆษณาเนี่ยมันมีความโลภแอบแฝงอยู่การที่อยากจะมีหน้ามีตามีเกียรติดีไม่ดีทําเพื่อจะได้ไปขอเครื่องราชกันก็มี <c oughs> ขอตําแหน่งก็มีบางทีทําแล้วก็เจ้านายเห็นว่าเออมึงทำคุณประโยชน์ เดี๋ยวก็จะเลื่อนตำแหน่งให้มันหน่อยอันนี้ไม่เรียกว่าทาบุญทาเหมือนกันแต่ทําแบบมีกิเลสแฝงอยู่การทาบุญของพระพุทธเจ้านี้ทําบุญเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ทาบุญเพื่อผลิตกิเลสขึ้นม า, างั้นเราต้องระมัดระวังเวลาเราทําบุญนี่อย่าไปทําเพื่อให้มันมีกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปทาเพื่อให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ น้แต่อยากจะให้พระกินของที่เราถวายก็เป็นกิเลสแล้ว mm hmm. อข้าใจไหมบางทีพระไม่กินก็เสียใจนะแทนที่จะได้ความสุขกับ mm hmm. ได้ความทุกข์แทนที่จะได้บุญก็เลย mm hmm. ได้ได้อกุศลไปได้ความทุกข์ได้ความไม่สบายใจไปเห็น mm hmm. เวลาเราทำแล้ว เ, เราต้องปล่อยเราไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่เราให้เขาไป เขาจะเอาไปโยนทิ้งก็เรื่องของเขาเขาจะาไปทําอะไรก็เรื่องของเขาแต่เราสามารถใช้เหตุผลนี้ในการที่จะทําบุญเขาวต่อไปกับเขาได้ถ้ า, าไปแล้วเขาโยนทิ้งเขาต่อไปก็อย่าไปให้เขานะก็หมดเรื่องแต่ถ้าให้เขาไปแล้วเขาไปทําประโยชน์ เ, เราเขาต่อไปแล้วก็ให้เขาต่อไปอันนี้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับ คนที่เราให้ว่าเขาจะต้องเอาไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพียงแต่ว่ามีความเข้าใจกันโดยที่ไม่ได้บังคับคือว่าเข้าใจว่าให้ไปแล้วจะได้เอาไปทำประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่เอาไปทำตามที่เข้าใจกันข่าวหน้าเราก็ไม่ต้องไปให้เขาถ้าเราไม่ศรัทธาถ้าเราไม่เห็นว่ามันไม่ได้ได้ประโยชน์อย่างที่เราคาดหมายว่าเราก็ไม่ต้องให้เขาเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเราไปอย่าไปผูกใจติดกับมันก็จะทําให้เราเสียใจแล้วจะทําให้เรามีความรู้สึกไม่ดีต่อคนนั้นแทนที่จะมีความเมตตามเป็นมิตรกันก็เลยอาจจะไปโกรธไปเกลียดกันขึ้นมาก็ได้กลายเป็นกิเลสไปยังต้องให้ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับให้เพราะต้องการกําจัดความตนันดี ซึ่งเป็นกิเลสากาจัดความยึดติดความหวงที่เป็นตัวที่จะทําให้เราทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราหวงสามีหวงภรรยานี่ถ้ายกให้คนอื่นได้นะใจเราจะสบายหายหวงเลยอยู่กับเขาลราทุกข์อยู่กับเขาทําไมให้เขาไปไม่ดีกว่านะไปแล้วเราไม่ทุกข์เราสบายหายหวงเลยหายหวงหายหวง <c oughs> แต่ยังโหนียังโหวงอยู่ก็ต้องทุกไปเดี๋ยวก็ให้ทําบุญทําทานไม่เป็นไงคนที่เขาทําบุญทําทานเป็นเขายกให้ไปเลยถ้อยากจะเอาไปก็เอาไปเราอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจกว่าอยู่เรบทุกอยู่ไปทําไมใช่ไหมอยู่กันก็้พื่อให้มีความสุขแต่ถ้าไม่อยู่เราทุกก็อย่าไปอยู่ด้วยกันเลยให้เขาไปดีกว่ามีมีใหม่เข้ามายัางอ่ะ คำถามจากคุณปฏิยานะคะเมื่อรู้สึกได้ว่าเกิดความอยากความกำหนัดขึ้นมาทำอย่างไรถึงจะทราบต้นตอของมันเพราะเวลารู้สึกตัวความอยากก็จะหายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกจึงอยากทราบต้นตอของมันครับก็มันไปนึกถึงไอ้ของสวยๆยองามๆมันก็นึกมันก็เกิดความกำหนัดเกิดความอยากขึ้นมาก็ไปมองของที่มันไม่สวยไม่งามมันก็จะได้หาย ใ่หมอยากกินข้าวมันมนึกถึงอาหารในจานหรือมันคิดถึงอาหารในส้วมอ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ที่เราไปนึกถึงตรงไหนเองนึกเนถึงนึกถึงของสวยๆงามๆ ม, มันก็อยากจะได้พอไปนึกในทางตกกันข้างมันก็ไม่อยากจะได้นึกถึงคนสวยคนงามนี่พอไปนึกถึงคนตายมันก็ไม่อยากจะได้แล้วเข้าใจไหม มาต่อไปคําถามจากคุณคินเบอรี่เรื่องมีความสงสัยเรื่องมิติซับซ้อนหรือภพภูมิที่มาเรื่อมมาเหลื่อมกันที่เขากะลามีจริงหรือเปล่าหรือมีความเป็นมายังไงเราก็ไม่รู้เราไม่เคยอ่านเรื่องเข่ากะลาว่าเป็นยงไง <c oughs> แต่เรื่องภพภูมิมันไม่มีซ้อนกันล่ะจิตแต่และดวมันก็มีภพของมันมันเป็นไปตามบุญตามบาปของที่มันทําไว้น อย่างตอนนีมนม้มันมีมันมีซ้อนกันอยู่ได้อย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสองภพได้ <leader. S 1> คือร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราอาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้ถ้าเราไม่รักษาศีลห้าเนี่ยเราเป็นเดรัจฉานไปแล้วแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าเรารักษาศีลห้าแล้วเรายังทําบุญทําทานได้ใจเราเป็นเทวดาไปแล้วแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าจะซ้อนก็ซ้อนแบบนี้ เร่าร่างกายนี้มันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นมนุษย์ของมันไปจนมันตายแต่ใจนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทําบาปด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก่อเกศก็เป็นนรกขึ้นมาถ้าทําบุญด้วยความเมตตากรุณาก็เป็นเทวดาขึ้นมาถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบก็เป็นพรหมขึ้นมาถ้า วิปัสสนาได้เห็นอุจจาระได้เห็นซากศกได้ตัดความอยากได้ก็เป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมามันเป็นที่จิตเนี่ยร่างกายมันก็เหมือนเดิมร่างกายพระพุทธเจ้าตอนก่อนบวชก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอไปบวชก็เลยไปนั่งสมาธิก็ไปเป็นพรมพอไปตัดสลลเห็นเป็น เห็นปัญญาเห็นไายลัเห็นอริยสัจสีก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นที่ใจร่างกายก็ยังคนเดิมอยู่ร่างกายที่เคยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปที่เปลี่ยนไปคือใจของของเจ้าชายสิทธัตถะอยากเป็นยากเป็นมนุษย์กลายมาเป็นพระอรหันต์ัสมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าจะสอนก็ซ้อนแบบนี้ แต่ซอนแบบอื่นนี่เราไม่รู้ซ้อนแบบไหนเราไม่ได้ติดตามคำถามจากคุณหมูหากลูกต้องการนึกถึงความตายมรณานุสติลูกควรจะบริกรรมอย่างไรให้นึกถึงความตายในระหว่างวันครับนึกถึงซากศพได้ยั้ยนึกถึงไงความตายไม่รู้หรอความตายมันคืออะไรก็คือซากศพนี่ไก็ไปดูศพได้ไปเปิดหนังสือไปเปิด Google ดู เขียกับว่าสร้างศพเข้าไปมันก็โผล่ขึ้นมาให้ดูแล้วรูปของคนตายทั้งหลายนี่เรียกว่ามอนุสติแต่คนที่กิเลสนานี่มันมองไม่ได้เห็นแล้วมันจะเป็นลมกิเลสมันจะทําให้เป็นลมไม่ใช่อะไรหรไม่ใช่สร้างศพทําให้เป็นลมแต่กิเลสมันมันมันแรงมันต้านมันไม่ยอมรับมันไม่ยอมมองพอให้ไปมองในของที่มันไม่ไม่อยากมองไม่ชอบมองนี่มันจะ มันจะหนีหนีไม่ได้มันก็จะเป็นลมไปเลยแต่คนที่เขามีจิตใจที่เข้มแข็งนี่เขามองได้ก็ดินักศึกษาแพทย์ทั้งก็ผ่าศพก็ เ, เรียนงก็ เ, เรียนหมอกันเขาก็ต้องผ่าศพกันมาวนารู้สติก็เคยให้นึกถึงความตายให้นึกถึงสร้างศพโดยเฉพาะความตายของเราด้วยความตายของคนที่เราละ เพราะว่าเราจะไม่อยากให้คนที่เราลากตายเราจะไม่อยากให้เราตายแต่คนที่เราเกลียดนี่มันตายได้เท่าไหร่เราไม่เไม่เดือดร้อนใช่ไหมคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่รู้จักเขาจะตายนี่ไม่เป็นปัญหาแต่เราต้องเราต้องมาดูร่างกายที่เป็นปัญหากับเราร่างกายที่เราไม่อยากให้เขาตายคือร่างกายของคนที่เรารากล่างกายของตัวเราเองต้องมองบ่อยๆให้เห็นว่ามันต้องตายมันต้องเป็นซากศพ ดูไปจนช่างมันชินแล้วมันรับได้แล้วมันจะเฉยมันจะไม่เสียใจมันจะไม่กลัวมันจะไม่กังวลคำถามจากคุณอัญชิตาเคยทำไม่ดีมาก่อนค่ะแต่ตั้งใจใหม่แล้วเลือกเดินบนทางที่ถูกต้องแต่ยังโดนบางคนพูดแดกดันและมองว่าเราทำบุญเพื่อบังบาบดูแคร์ในความดีของเรา ที่เป็นแบบนี้เพราะผลของกรรมใช่ไหมคะแล้วเราควรวางใจอย่างไรคะก็วางใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้คใครก็จะพูดใครก็จะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องทําใจให้เฉยๆอย่าไปอยากให้เขาสรรเสริญอย่าไปอยากให้เขาพูดดีกับเราเพราะเราทําความดีมันเป็นธรรมดาของโลกคนนี่ชอบอิจฉาริษยากัน ถ้าเห็นเขาเหนื่อยดีก็ตนเราต้องจะหาวิธีถล่มทลายเดี๋ยวให้เขาลงมาต่ําให้ได้ถ้าใครสูงกว่าเรานี่เราต้องจะชอบเดี๋ให้เขาลงต่ําก็ต้องไปไป้ายร้ายป้ายสีไปหาอะไรต่างๆนานามาทําให้เขาเลวลงไปอันนี้เป็นธรรมชาติของกิเลสของใจของคนที่มีกิเลสแต่ถ้าใจของคนที่มีธรรมนี่เขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะสรรเสริญก็จะอนุโมทนา ชื่นชมยินดีกับการทำความดีของเราแม้ว่าเขาแม้ว่าในอดีตเราเคยทำความชั่วมาอันนั้นก็เป็นเรื่องของอดีตไม่เกี่ยวกับปัจจุบันปัจจุบันถ้าดีก็สรรเสริญถ้าไม่ดีก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนหลือตำหนิติเตียนเพื่อที่จะได้แก้ไขดัดแปลงให้มันดีเพราะการทำไม่ดีมันเกิดโทษกับคนที่ทาเองและการทาดีก็เกิดผล ก็คนที่ทำการที่เห็นคนทำความดีแล้วเรายกย่องสรรเสริญนี่ก็เพื่อสนับสนุนให้เขาทำความดีเยอะๆให้เขามีกําลังใจเขาจะได้รับผลดีจากการกระทำความดีของเขาส่วนคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตำหนิเตือนเขาว่าอย่าทำทำแล้วมันจะเกิดโทษกับตนเองอันนี้เป็นเรื่องของคนหวังดีเขาทำกันเขาไม่ได้ไม่ได้เสียกับ ความดีความชั่วของคนอื่นหรอกที่เขาทํางนี้พูดงนี้มันทำให้คนที่ทำความดีมีกำลังใจนะทำให้คนที่ทำไม่ดีนี่เปลี่ยนใจนี่คือเป้าหมายของการพูดสาหรับคนที่มีใจที่เป็นธรรมจะพูดอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามใจของคนที่มีกิเลสมันก็จะพูดอิจฉาแบบอิจฉาลิษยาไปเห็นใครดีกับตนนี้ไม่ได้ ต้องหาวิธีป้ายล้ายป้ายสีดึงเขาลงมาให้ต่ำอันนี้ก็เราอย่าไปสมใจคนทำความดีต้องต้อ ง, ต, องต้องหูหนวกตาบอดบ้างเข้า mm hmm. ใจไหมใครก็จะพูดอะไรแล้วก็อย่าไปรอให้คนสรรเสริญถ้าไม่มีคนสรรเสริญเดี๋ยวจะไม่มีกำลังใจขึ้นมาอีกเราต้องสรรเสริญตัวเราเองไม่มีใครชมเราเราชมตัวเราเองได้เราก็พอใจแนละ้ะเราดูการกระทาของเราแล้วเราก็ชมตัวเราเอง เอ้ hey, วันนี้เราทําดีนะเอ้ hey, วันนี้เราไม่โกหกนะเอ้อ uh huh. วันนี้เราไม่ขโมยของบริษัทเข้าไปนะเห็น mm hmm. อย่างนี้แล้วก็จะทําให้เราภูมิใจมีความสุขใจชมตัวเองดีกว่า mm hmm. คนอื่นชมก็สู้เราชมตัวเราเองไม่ได้และการชมตัวเราเองนี่เราก็โกหกตัวเราเองไม่ได้เพราะเรารู้แก่ใจว่าเราดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่ดีชมยังไงมันก็ไม่ดีอยู่ดี แต่วันนี้โกหกเรามาบอก้วันนี้เราไม่ได้โกหกเลยมันก็มันก็พูดไม่ออกชมไม่ออกยั้นอย่าไปกังวลกับเสียงของคนอื่นให้คิดว่าเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาไปอย่างนกกามันดา่าเราสิครับมามาทำอะไรแถวนี้มาวุ่นวายทําไมมาเกะ ก, กะทําไมมันอยากจะอยู่เงียบๆทาไมไมาต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยมันดา่าเราแต่เราไม่รู้ใช่ไหมมันมเราไม่รู้เราก็เลยเฉยเฉย เนี่ยมันอยากจ ใ, ให้เราไปก็ได้เนี่ยค <c oughs> าถามจากคุณพันธนาภาคุณพ่อคุณแม่แก่แล้วมีลูกคอยส่งเสียเลี้ยงดูเวลาลูกพาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดลูกซื้อสังฆทานให้เอาเงินใส่ซองให้จัดซื้อของมาใส่บาตรให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปถวายพระอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้บุญไหมคะถ้าเป็น ถ้าเป็นเงินของพ่อของแม่แล้วก็เป็นคำสั่งของพ่อของแม่ก็จะได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้สั่งไม่ได้เป็นเงินของพ่อของแม่พ่อแม่ไม่ได้อะไรเป็นเหมือนตุ๊กตาคนที่สั่งคนที่หามาเงินของคนที่หามาแล้ น, นคนคนนั้นจะได้ถ้าลูกเป็นคนคิดจะทำแล้วลูกไปเอาเงินของลูกไปซื้อของมาได้พ่อแม่ช่วยถวายนี่พ่อแม่ไม่ได้อะไรลูกก็ <S 2> <S 2> ได้ เจ้าของเงินได้เจ้าของความคิดได้คำถามจากคุณปั้นปอจะสร้างบ้านมีความตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปไว้หน้าบ้านโดยไม่ต้องการตัองศาลพระ ภ, ภูมิกาบเรียนถามว่าเหมาะสมไหมหรือมีห้องพักก็พอขนะเดียวกันก็คิดว่าสร้างพระในใจก็พ อ, อ, อสร้างพระในใจก็พอจะได้ไม่ต้องมากังวล พระในบ้านไม่ต้องมีเลยก็ได้พระพุทธรูปไม่ต้องมีก็แ้ถ้ามีพระในใจแล้วดีกว่ามีพระพุทธรูปนะที่ไม่มีที่มีพระพุทธรูปกันก็พาะไม่มีพระในใจก็เลยจะได้มีพระพุทธรูปม้เตือนใจว่าต้องสร้างพระขึ้นมาในใจพระแท้อยู่ในใจพระปลอมอยู่ข้างนอกพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่พระแท้พระปลอมเป็นตุ๊กตาที่เราสมมติขึ้นมาว่าเป็นพระนั่นเอง พระแท้ต้องมีศีลถ้าเราอยากจะมีพระเราต้องรักษาศีลกันถ้าเรามีศีลแล้วเราก็มีพระอยู่ในใจถ้าเราทาทานเราก็มีพระอยู่ในใจถ้าเรามีสติมีปัญญามีความสงบเราก็มีพระอยู่ในใจมาสร้างพระในใจกันดีกว่าเป็นพระแท้พระข้างนอกเป็นพระปลอมไม่พระไม่แท้เป็นเพียงสัญลักษ หรือเป็นป้ายเหมือนกับป้ายโฆษณาสินค้าป้ายโฆษณาสินค้านี่เป็นเป็นสินค้าจริงหรือเปล่าไม่มีสินค้าใช่ไหมเป็นป้ายบอกว่าจะขายแฟบจะขายอะไรเวลาที่เราต้องการแฟบเราไปเอาที่ป้ายหรือเปล่าเราต้องไปเอาที่ร้านอันไดพระพุทธรูปนี้ก็ไม่ใช่เป็นพระพระอยู่ในใจพระอยู่ที่พระ เกิดจากการทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจเช่นการทำทานการรักษาศีลการภาวนาอันนี้จะทำให้เกิดพระขึ้นมาพระอริยะเจ้าก็เกิดจากการทำทานรักษาศีลภาวนาพระโดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอราหาันต์เกิดจากการทำทานรักษาศีลภาวนา ไม่ได้เกิดจากการสร้างพระพุทธรูปไว้ที่หน้าบ้านหรือตั้งไว้ในห้องพระะพวกที่มีพระพุทธรูปในห้องพระนี่เป็นพระอริยะกันบ้างหรือเปล่าในใจมีแต่ความโกรธเกลียดมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมันจะเป็นพระอริยะขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องกำจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆมันถึงจะมีพระขึ้นมาภายในใจคาถามจากคุณแอม หากเรามีความศรัทธาอย่างยิ่งที่อยากทำบุญทานุบำรุงศาสนามากมีใครมาบอกบุญก็ทำตามกำลังซัพที่มีความอยากนี้คืออะไรครับเป็นธรรมไงเป็นมรรคทางสู่พานิพานคือทานการทำทานก่อนที่เราจะทำทานได้เราต้องอยากทำทานก่อนถ้าเราไม่อยากทำทานเราก็จะไม่ได้ทำทานเช่นเราอยากจะไปซื้อกระเป๋านี่เราก็ไม่ได้ทำทานแล้ว เอาเงินไปซื้อกระเป๋าแทนแต่ถ้าเราอยากจะทำทานเราก็ได้ทําทานเราก็ไม่ได้ซื้อกระเป๋าดังนั้นความอยากนี้มันมีอยากที่เป็นโทษกับอยากที่เป็นคุณอยากอยากทำทานอยากรักษาสี่งอยากปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความอยากที่ไม่ดีก็คือความอยาก อยากซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อขนมนมเงยที่ไม่จำเป็นจะต้องกินมากินมาเสษนี่อันนี้เพราะว่าเป็นการซื้อความทุกข์ซื้อภพชาติเพราะมันจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนั้นความอยากมันมีทั้งความอยากที่ดีความอยากที่ไม่ดีเราเรียกว่าตันหากิเลสกิเลสตันหา ความอยากที่ดีเราเรียกว่ามรักเรียกว่าธรรมะคำถามจากคุณน้อยมีวิธีพิจารณาอสุภกรรมฐานมีวิธีการอย่างไรเจ้าคะก็ดูความไม่สวยงามของร่างกายมันตรงไหนไม่สวยงามก็เข้าไปดูมันสิคำถามจากคุณนิติมาควรปฏิบัติในการมีสติในชีวิตประจาวันควรทำอย่างไรก็พุโทโธไปทั้งวันเนี่ยมีนตานขึ้นมาก็ท่องพุโทโธไป แล้วมันก็จดจ่อดูกับงานที่เรา ก, ำ, กำลังทําอยู่กําลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับล้างหน้าอย่างเดียวกําลังอาบน้ําก็อยู่กับเรื่องอาบน้ําอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นไรบางทีลมมันแรงไม่นไรบางทีเสียงเราพูดดังไปหน่อยคําถามจากคุณโจ๊กหลังๆมานี้ผมได้ไปทําบุญทําทานที่วัดและได้มีประสบการณ์เห็นผีหรือเห็นอะไรแปลก เป็นเพราะเราทำบุญแล้วเขามาบอกว่าได้รับหรือคนใหม่มาขอครับก็แล้วแต่เห็นจริงหรือไม่เห็นจริงก็ยังไม่รู้เหมือนกันบางทีเห็นด้วยอุปทานนึกคิดไปเองก็ได้แต่เห็นจริงมันต้องคุยกันได้จะให้มาจากไหนผีตัวนี้เป็นใครมาจากไหนเอย่างนั้นเห็นจริงแต่เห็นแบบแวบๆขึ้นมาแล้วก็ว่าเห็นนี่มันเห็นแบบนึกคิดก็ไม่ต้องไปสนใจ คำถามจากคุณพีลานีในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำวิญญาณที่ตายแล้วจะมารอรับบุญที่ลูกหลานทําอุทิศให้จริงไหมเจ้าคะวิญญาณมันไม่มีปฏิทินหรอกมันไม่รู้วันพระวันขึ้นวันแรมถ้ามันหิวเมื่อไหร่มันก็มาเมื่อนั้นถ้ามันไม่หิวมันก็ไม่มาอาจารย์เหมือนขอทานเนี่ยถ้าขอทานมันมีเงินมันก็ไม่มาขอหรอกมันหมดเงินเมื่อไหร่มันก็มาขอ จากคุณปูชนีภาวนาแล้วจิตมันวิ่งแล้วมันก็วิ่งออกไปเห็นนิมิตต่างๆมันบังคับบัญชาไม่ให้ไม่ให้ทําเองแสดงว่ามันฟุ้งใช่ไหมคะพอกลับมารู้สึกตัวนิมิตก็หายไปเจ้าค่ะมันขาดสติไงพอไม่มีสติคุมใจมันก็ใจมันก็จะออกไปเตลิดเปิดเปิงไปก็ต้องใช้สติึงกลับมา คำถามจากคุณมิสนุการเจริญกรรมฐานทุกวันและอุทิศไปถึงญาติที่ข้าวตัวตายเขาจะได้รับไหมครับอุทิศไม่ได้กรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นเฉพาะของเราเองเช่นพุโทโธพุธโทโธนี่มันเป็นของเราทําให้ใจเราสงบมีความสุขถ้าเราต้องการอุทิศเราต้องทําทานแล้วทานที่เราได้นี่เราก็อุทิศไปให้เขาได้บุญที่เราได้จากการทําทานเราก็อุทิศไปให้เขาได้ คำถามจากคุณศีดาถ้าคนที่คิดพูดกระทําที่ไม่ดีเป็นบุพการีเราแล้วเราจะวางใจอย่างไรดีคะก็ปล่อยก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาดีชั่วก็เป็นเรื่อ ง, ของเขาเราต้องรู้จักแยกแยะว่าพ่อแม่เรานี้มีหลายบทบาทบทบาทของพ่อแม่ก็มีบทบาทของคนก็มีเขาก็ยังเป็นคนมีกิเลส เพื่อนบางทีเวลาที่กิเลสหนุ่มเล้าเขาก็อาจจะทําอะไรไม่ดีก็ได้อันนั้นก็เราก็ต้องแยกแยะว่าเป็นเรื่องของกิเลสเขาแต่ก็ไม่ได้ไปเ ป, เปลี่ยนความเป็นพ่อเป็นแม่กับเราเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่กับเราอยู่เราให้เขาไปติดทุกติดตารางเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอยู่เราก็ต้องเคารพนับถือเหมือนเดิมเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อกับแม่ พ่อแม่ลูกนี่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาจน ก, กว่าจะตายจากกันเท่านั้นความสัมพันธ์มันถึงจะหมดไปแต่เรื่องของความเป็นคนนี่มันแล้วแต่บางคนเขามีกิเลสพ่อแม่อาจจะมีกิเลสอาจจะไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันไปฆ่าคนหรือไปทําอะไรไม่ดีเขาก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอาบอายขายหน้าปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อแม่เรานี่อันนี้เราผิด เราต้องภูมิใจว่าเขาเป็นพ่อแม่เราถึงแม้เขาจะเป็นฆาตกรก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเขาถามว่าคนนี้เป็นพ่อแม่เราหรือเปล่าเราก็ต้องบอกเป็นเป็นจะเสียหายตรงไหนก็เป็นพ่อแม่เราก็เป็นมันเป็นความจริงแต่ก็จะเป็นฆาตกรแล้วก็จะเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเราคนเราไม่ได้เป็นไม่ใช่พ่อพ่อแม่เป็นฆาตกรแล้วลูกก็เป็นฆาตกรตามไปที่ไหนเห็นพ่อแม่เป็นพระอริยะลูกก็ต้องเป็นพระอริยะตามไป มันไม่เป็นไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องของปัิเจต ก, กับบุคคลตัวใครตัวมันแต่เรื่องความสัมพันธ์นี่มันเป็นไปจนวันตายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่เราไปเปลี่ยนไม่ได้ไปลบล้างไม่ได้ถ้าอยากจะลบล้างเราก็ต้องกลับเข้าไปในท้องแม่เนี่ยคํถาถามจากคุณ น, นิสิตภู พอเวลานั่งภาวนาแบบหลังตรงรู้สึกเกร็งและป ว, วดภาวนาไม่ค่อยได้แต่เมื่อนั่งแบบสบายๆไม่ได้บังคับให้หลักให้หลังตรงจะภาวนาดีกว่าถูกผิดประการใดขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับก็ทํามันอันไหนดีกว่าก็เอาอนั้นก็แล้วกันที่เขาให้นั่งตรงเพราะมันจะได้ไม่หลับถ้านั่งงอเดี๋ยวมันหลับโดยไม่รู้สึกตัวเรามันกา จ, จะว่าดีกันะบางคนที่ว่านั่งมันดีเพราะมันหลับไง <laughs> มันสบายไหมนั่งสบายแนละ้วก็หลับเนี่ยบางทีว่าเนยอยู่ในสมาธิแต่บางคนนั่งงอศอกคอพักอย่างเงี้ย ค, คีดว่าโอ้อยู่ชั้นไหนแล้วก็มไม่รู้อะไรว่านั่งหลับไม่ใช่มันถึงสบายไงเราต้องการนั่งให้มันสงบไม่ใช่นั่งให้มันสบายไม่ได้สบายกายให้ให้สงบใจสบายใจมันไม่เหมือนกันคำถามจากคุณ นัทธวัตรทำไมคิดคิดแค้นเขาไม่หายทำอะไรเขาก็ไม่ได้พอนึกถึงหน้าลูกชายตอนนี้ผมอยู่กับลูกชายสองคนอยู่ปหนึ่งแม่ทิ้งเขาตอนอนุบาลก็ไม่มีความเมตตาแผ่เมตตาไม่เป็นไม่เคยหัดเจริญแผ่เมตตาไม่รู้จักคำว่าอาเวลาขนตุก็คือการไม่จองเวรกันคนเรานี่ ถ้าอยากจะให้อภัยเราต้องเห็นโทษของการจองเวรจองกรรมว่ามันจะทำให้กัดก่อนจิตใจเราทำให้ใจเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราให้อภัยได้แล้วใจเราจะเย็นจะสบายจะมีความสุขแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วเราไงก็เปลี่ยนมันไม่ได้แล้วใจเราไปทุกข์กับมันไป ไปเครียดแค้นกรรมมันก็ไม่ได้ทําให้เราสุขให้เราสบายแต่ถ้าเราลืมมันเสียหรือว่าให้ให้ภัยถือว่ามันเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาพบกันมาเจอกันมามารับผลจากการกระทําของเขาเขาทําไปแล้วก็จบไปแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้ใจเราสบายการให้อภัยนี้ เป็นเป็นความเมตตาจะทําให้ใจเราหายจากความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาคตาิพยาบาทดับไฟนรกนะถ้าเราให้อภัยไม่ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวเราจะต้องไปทําร้ายเขาแล้วแทนที่เราจะเป็นคนดีแล้วรากลายเป็นคนไม่ดีไปถ้าเราให้อภัยได้เราก็จะไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นเราก็จะไม่ไปทําร้ายเขาเราก็ยังรักษาความเป็นคนดีของเราได้อยู่ต่อไป ถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเร้ไม่อยากไปรับโทษของการเป็นคนไม่ดีก็อย่าอย่าไป อ, อย่าไปอ า, ฐ า, ฐ า, ฐา่าศพยาบาทต้องนิจจให้อภัยคำถามจากคุณสรันผมกําหนดที่กลางหน้าอกเวลาสวดมนต์เวลาสวดมนต์อยู่จิตเพ่งกับคำสวดมนต์แล้วจิตวูบจะเข้าไปสงบแล้วจะสวดต่อไม่ได้ก็แก้ด้วยลืมตาขึ้นมาก่อน แล้วจึงสวดต่อไปได้จนจบอย่างนี้ถูกไหมครับหรือควรปล่อยให้มันเข้าไปสงบเลยครับมันไม่ควรที่จะออกมาการสวดก็เพื่อให้มันเข้าไปเมื่อมันเข้าไปแล้วก็หยุดสวดเหมือนกับกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วก็หยุดกินไม่ใช่ว่ากินข้าวอิ่มแล้วก็อาเจียนออกมาเราจะได้กินใหม่นี่มันก็ไม่มีวันอิ่มสัทีพออิ่มก็อาเจียนออกมาแล้วก็จะได้กินอีก เราอย่าไปติดที่การสวดการสวดนี้เป็นเหตุสิ่งที่เราต้องการคือการวูบเข้าไปข้างในเป็นผลคือความสงบเมื่อเราได้ผลแล้วเราก็หยุดสวดเมื่อเรากินนี่กินเพื่ออะไรกินให้อิ่มใช่ไหมพออิ่มแล้วเราก็หยุดกินไหมอย่าไปติดอยู่ที่การกินบางคนนี่ติดอยู่การกินก็มีในสมัยโบราณเคยได้ยินพวกโรมันนี่เขาติดอยู่กับการกินพอเขากินอิ่มแล้วเขาก็ไป ทำให้มันอาเจียนออกมาแล้วเขาก็จะได้กลับมากินใหม่หนึ่งติดของการกินนั้นการอย่าไปติดที่การสวดการสวดนี้พาให้เราไปสู่ความสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็หยุดสวดเหมือนกับพุทโธก็เหมือนกันพอพุทโธพุทโธไปพอจิตวูบแล้วสงบแล้วก็หยุดพุทโธอย่ากลับมาหาพุทโธถ้ากลับมาหาพุทโธมันก็หนึงจิตให้ออกมาสู่ความไม่สงบ พอจิตสงบแล้วให้รู้เฉยๆให้มันเนื่งเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งถ้ามีความคิดก็ยังไม่สงบก็หยุดมันหยุดความคิดด้วยสติอ๋อคำถามจากคุณโดไลเอมอนขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายหลักธรรมข้อสัมปชัชญะด้วยครับสัมปัญญะก็คือสติที่ต่อเนื่องสติที่ไม่ขาดตอนก็เรียกว่าสัมปชัชญะ ถ้ายังถาดตอนอยู่ก็เรียกว่าสติยังไม่ต่อเนื่องสตินี้ปั๊บนึ่ยพอพอรู้สึกตัวป๊บันก็มีสติแล้วพอเผลอปั๊บมันก็หายไปละสติหายไปละแต่ถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลาทำอะไรทั้งวันนี้อยู่กับการทำของเราอยู่ตลอดเวลาไม่พังไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่ามีสัมปะชัญญาคาถามจากคุณปียา การฝึกนั่งสมาธิครั้งแรกโดยไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะทำได้ไหมครับก็ต้องรู้จักวิธีนั่งก่อนนะฮะถ้าไม่รู้จักวิธีนั่งก็จะนั่งได้ยังไงเหมือนขับรถเนี่ยถ้าไม่รู้จักวิธีขับไปขับรถได้หรือเปล่ามันก็ต้องรู้จักวิธีจะรู้จักวิธีก็ต้องมีคนสอนก็ต้องมีหนังสือสอนแต่หนังสือกับคนอันไหนจะดีกว่ากันเรียนจากหนังสือกับเรียนจากคนนี่อันไหนจะง่ายกว่ากัน มีคนสอนเราขับนี่มันง่ายกว่าไปเปิดหนังสืออ่านใช่ไหมอันใดเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกับขับรถ ด, ดีๆนี่เองก็ต้องมีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนก็ลองอาศัยหนังสืออ่านไปแต่ใช้หนังสือนี่อ่านแล้วเราอาจจะแปลความหมายผิดไปก็ได้ทำแล้วอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ยันถ้ามีคนสอนมันจะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีถ้าเราเป็นคนฉลาดเราอ่านแล้วเราเข้าใจเรา แปลความหมายไม่ผิดก็ไม่เป็นปัญหาเลยก็ใช้นังสือเป็นครูไปก็ได้แต่ยังไงก็ต้องมีคนสอนไม่ไม่ไม่เป็นคนก็ต้องเป็นนังสือนังสือก็คนดีๆเขียนนี่คนที่เ็ามีความรู้ทางนี้เช่นพระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนแล้วเขาก็เขียนไว้เป็นตัวนังสือว่าให้สำหรับคนที่อยากจะรู้ได้ศึกษาแล้วนอาออกไปปฏิบัติ ได้ทั้งสองทางแต่ยังไงยังไงก็ต้องมีคนมีอาจารย์มีมีผู้สอนจะเป็นผู้สอนโดยทางหนังสือหรือผู้สอนทางร่างกายก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนเป็นร่างกายนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาเราได้ถ้าเราทําผิดเขาจะได้บอกว่าทำยี้ไม่ถูกแต่ถ้าเป็นหนังสือมันบอกเราไม่ได้เวลาเราทําผิดคําถามจากคุณมิไลวัน การที่พยายามบังคับจิตให้ว่างจากความคิดแล้วกําหนดความว่างแบบนี้ถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ปฏิบัติก็เพื่อให้ใจมันว่างที่เราให้พุโทโธพุโทโธนี้เพื่อให้มันหยุดความคิดต่างๆถ้าเราสามารถกําจัดความคิดแล้วทาใจให้ว่างไม่สงบได้ก็ถูกต้องอยู่แล้วคําถามจากคุณแอมทีฉันชอบเปิดฟัง youtube บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ สังฆราชเรื่องชีวิตนี้น้อยนะักแต่สําคัญนะักครั้งแรกที่ฟังพร้อมกับนั่งสมาธิน้ําตาไหลออกมารู้สึกปิติมากและเข้าใจความปิตินี้ไม่ใช่ความอ่อนไหวใช่ไหมครับมันเป็นความซาบซึ้งใจมันไม่ได้เป็นความทุกข์มันไม่ได้เป็นกิเลสคาถามจากคุณจญญาญยาตอนแรกโยมพิจารณาเห็นความ เห็นแค่ความตายของตนเองต่อมาค่อยพิจารณาเห็นความตายของคนอื่นด้วยเห็นแค่ดวงจิตของแต่ละคนตามบุญบาปและแต่ละดวงจิตจึงมีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์ลดความอิจฉาอิจฉาลิษยาถูกต้องหรือปังเจ้าคะถูกต้องถ้าเราเห็นคนเราต้องตายแล้วเราก็จะไม่ค่อยอยากอิจฉาใครหรอกที่อิจฉาคนก็คิดว่าเขาจะรวยเขาจะใหญ่ไปตลอดเราเลยอิจฉาเขา แต่พอเคาเห็นว่าเขาก็ต้องตายมันก็เลยไม่รู้จะไปอิจฉาเขาทำไมเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็เขาก็ไปรวยขนาดไหนก็ไปใหญ่ขนาดไหนก็ไปคําถามจากคุณนิชมนชอบนั่งสมาธิแต่ไม่ชอบสวดมนทุกครั้งที่ทุกครั้งที่จะนั่งสมาธิก็จะนั่งเลยโดยไม่สวดมนก่อนทําแบบนี้ได้ไหมคะได้สวดมนก็เพื่อทําให้ใจสงบเหมือนกัน บางคนนั่งสมาธิยังไม่ได้ก็สดวดมนต์ไปก่อนเพอนั่งแล้วใจมันฟุง้งมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอสวดแล้วมันไม่ฟุ้งก็สวดไปก่อนสวดไปแล้วพอหายฟุ้งก็นั่งนั่งสมาธิต่อไปความจริงสวดก็สว ด, ดในขณะนั่งสมาธิก็ได้คือนั่งหลับตาคัตสมาแล้วก็สวดไปภายในใจแล้วพอหายฟุ้งก็ดูลมหายใจต่อไป ถ้าดูลมหายใจได้เลยไม่ต้องสวดเลยก็ได้พุโทโธไปเลยไม่ต้องสวดก็ได้จากคุณพิลานีนะคะที่วัดใกล้บ้านจะมีการทาบางสุกุลให้คนตายในวันพระโดยให้ญาติโยมเขียนชื่อคนที่ตายแล้วมารวมกันแล้วทอดผ้าบางสุกุลพระจะพิจารณาพระอัญจังวัตสังคาลาอยากเรียนถามาอาจารย์ว่าผู้ตายจะมาอนุโมทนาไหมคะ ก็แล้วแต่ว่าเขามารอรับบุญหรือเปล่าถ้าเขาไม่รอรับบุญเขาไปเป็นเทวดาแล้วก็ไปตกนรกเขาก็เขาก็ไม่มาถ้าเขาเป็นเปรตเขาอยากจะได้บุญส่วนนี้เขาก็มารอรับกันเหมือนขอทานนถ้าคนไม่มีเงินรู้ว่าวันพระจะมีที่แจกเงินเขาก็ไปรอรับกันใช่ไหมแต่คนที่มีเงินเขาก็ไม่มารอรับใช่ไหม คนที่ติดคุกก็ออกมารอรับไม่ได้คนที่มีเงินก็เป็นพวกเทวดามีบุญเยอะเขาก็ไม่ต้องมารอรับเงินแจกที่คนเขาแจกกันคนที่อยู่ในโนรกก็เหมือนคนติดคุกติดตารางก็ออกมาไม่ได้ก็มีแต่พวกขอทานที่จะออกมามารับทานได้พวกขอทานเราก็เรียกว่าเปรตพระอานค่ะเมื่อวานพระสาน า, พ, านพูดถึงสังโอด้านะอยากทราบวิธีการละปฏิฆะนะเาค่ะ ก็นี่แนหะปฏิฆามันเกิดจากการมราคะไงพออยากจะเสกกาไม่ได้เสกมันก็หงุดหงิดขึ้นมาก็ต้องมาแก้ที่การมาราคะปฏิฆามันเป็นผลที่เกิดจากการมาราคะมันมีกปฏิฆาก็แก้ได้สองทางอยากจะเสกกามันหงุดหงิดก็ไปเสกซะพอเสกมันก็หายหงุดหงิดใช่ไนหะอยากจะดูหนังพอได้ดูหนังมันก็หายหงุดหงิด อยากจะนอนกับแฟนพอได้นอนกับแฟนมันก็หายแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เดี๋ยวเกิดความอยากนอนใหม่มันก็เกิดความหงุอีกิดขึ้นก็อยากจะให้มันหายถาวรก็ต้องพิจารณาสุภาษะแล้วก็ความอยากร่วมหลับนอนจะหายไปพอความอยากร่วมหลับนอนหายไปปฏิฆะก็จะหายไปหายแบบถาวรเพราะความอยากจะร่วมหลับนอนมันก็จะหายแบบถาวรไป ก็ม like like ีแก้แบบสแก้แบบทางญาติโยมที่คลองเรือนเขาก็แก้ด้วยการเปนนอนกับแฟนเขาหงุดหยิดเขาก็อยากจะนอนกับแฟนเขาก็ไปนอนกับแฟนพอได้นอนกับแฟนเขาก็หายหงุดหยิดเดี๋ยววันอีกสองวันเขาก็อยากขึ้นมาอีกก็หงุดหงิดขึ้นมาอีกก็ต้องมีแฟนนอนอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าอยากจะแก้แบบวิธีแบบนักบวชก็นักบวชนอนกับแฟนไม่ได้ก็ต้องใช้อสุภะนต้องนอนกับอสุภะแทน พอที่ถึงควาสุภาพมันก็หายใหญ่มันก็จะไม่อยากนอนการการมาราคะก็หายไปความญหงุดหงิดก็หายไปว่ามาหมมีไห ม, มคุณทามจะคุณภาวนาค่ะเราเป็นแม่มีหน้าที่ที่เรามีหน้าที่ที่เรามีต่อลูกและ ต่อสามีจะมีวันสิ้นสุดหรือไม่เนื่องจากต้องการสละทางโลกเพื่อปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวค่ะก็มันมีอย่างน้อยสุดก็เวลาตายมันก็หน้าที่นั้นก็หมดไปหรือถ้าเขาพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็หมดไปลูกๆพอเ้าโตก็ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้มีครอบครัวง้อได้มันก็หมดไปแล้ว ส่วนสามีนี้มันอาจจะไม่หมดเพราะว่ามันจะต้องอยู่คู่กันไปจนวันตายแตงหมดก็ต้องหย่ากันหรือทำความเข้าใจกันว่าต่อไปนี้เราขอยุติการพึ่งพาอาศัยกันแล้วนะถ้าถ้าทำความเข้าใจได้ก็หน้าที่ที่จะต้องมาดูแลกันก็หมดไปเพราะเวลาแต่งงานนี้เขาจะมีคำมั่นสัญญาว่าจะอยู่กันไปจะดูแลกันไปช่วยเหลือกันไป จะสุขหรือจะทุกขจะช่วยกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปนี่คือคำมั่นสัญญาของคู่ครองถ้าต้องการให้มันหมดก็ต้องมามาเจรจาสัญญาใหม่คำถามจากคุณบุษบงความอยากเป็นขันห้าไหมครับไม่คําอยากมันเป็นตัญหาขันห้ามันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมัน คนละเรื่องกันเหมือนกับแมวกับหมานี่เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแมวก็เป็นแมวหมาก็เป็นหมาความอยากมันก็เป็นความอยากขันห้ามันก็เป็นขันห้ามมันไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันคนละเรื่องคําถามจากคุณชีวิตนี้เพื่อเธอดูจิตอย่างไรให้ถูกต้องครับก็เริ่มต้นที่พุโทโธก่อนต้องมีสติก่อนถึงจะดูจิตได้ต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมา เมมีสติแล้วสติก็จะเห็นจิตเมื่อเห็นจิตก็จะให้ให้ดูว่าจิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสก็ให้ตัดเสียให้ฆ่าเสียด้วยปัญญาให้ใช้ปัญญาฆากิเลสคําถามจากคุณฟุกจากคาถามเดิมร่วมกล่าวคําถวายกับเขาแต่คนนั้นไม่มีของร่วมถวายแต่กล่าวคําถวายพระอาจารย์บอกว่าคนนั้นไม่ได้บุญ แล้วคนนั้นจะติดนี่สงไหมครับขอบเขตนี่สงคืออะไรเห็นมีตู้ชำระนี่สงครับ อ, อ๋อนี่สงไหมถึงเวลาเรามาอยู่วัดแล้วเราใช้น้ำใช้ไฟของวัดใช้สถานที่อะไรอย่างนี้แต่สถานที่นี่เขาไม่ถือว่าเป็นนี่สงหรอกที่นี่สงก็คือการที่เรามา อ, อาศัยวัดอยู่แล้วเราก็พักอยู่อาศัยเราใช้น้ำใช้ไฟของวัดวัดเขาก็มีค่าใช้ใจ่าย ถ้าก่อสร้างค่าอะไรแต่ก็สิ่งการก่อสร้างนี้ก็มีคนที่เข า, เ, าเขาสร้างให้แล้วนี่หรอเพราะว่าวัดก็เป็นที่ที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่มาอยู่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟจริงๆก็ไม่เป็นนี่เป็นอะไรแตทางโรงแรมอยู่อย่างนี้ เราก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอะไรเรามาวัดก็มองเห็นว่าเป็นเหมือนโรงแรมเราก็เลยเป็นหนี้กันเราก็ไม่อยากจะเป็นหนี้สูงเราก็เลยบริจากเป็นให้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรไปแต่ทั้งวันนี้เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรใครจะทําบุญก็ทําไปการไม่ทําก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าอย่ามาทําแบบ เวลาไปเที่ยวนี่มีเงินเที่ยวพอม า, มาอยู่วัดไม่มีเงินทาบุญถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วพอมาวัดก็บอกว่าวัดไม่วัดให้อยู่ฟรีกินฟรีก็ไม่ต้องทาบุญแต่เวลาไปเที่ยวนี่จ่ายค่าโรงแรมได้จ่ายค่าอาหารได้จ่ายค่าเดินทางได้อะไรจ่ายได้หมดแต่พอมาวัดนี่จ่ายไม่ออกเพราะว่าวัดเป็นเหมือนเป็นวัดที่อยู่ฟรีกินฟรี แต่คิดอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสไปแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆแล้วอยากจะไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมชิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่เป็นไรไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟถ้าไม่มีจริงๆทางวัดยินดีสนับสนุนแต่เราก็มีสิ่งอย่างอื่นตอบแทนบุญคุณของวัดได้เราก็ไม่ได้อยู่แบบงอมืองอเท้าแล้วก็มีมือมีเท้าเราก็ช่วยกวาดช่วยถูช่วยเช็ดช่วยล้างอะไรไปนะ มันก็เหมือนกับการใช้นี่สูงไปตอบแทนวุ่งคดกันดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าทําตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ากิเลสด้วยเขาถามเจ้าคุณวิไลวั น, นะคะ่ะการที่เราอยากได้ทิพจักขุยานไปดูพบภูมิอื่นต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็ให้ ถ้ามันมีวาสนามีความสามารถมันก็จะไปได้เองถ้ามันไม่มีก็ต้องไปเรียนจากคนที่เขามีาเขาทํำยังไงทางสายวิปัสสนานี้ก็ไม่ให้ไปดูเขาให้สงบให้นิ่งให้ว่างเพื่อจะได้ไปฆ่ากิเลสได้ถ้ามีทิพย์ถ้ามีตาทิ่ยูทิพย์นี่มันฆ่ากิเลสไม่ได้แต่กับกายจะเป็นคนรับใช้กิเลสไปพวกที่มีอิทธิฤทธิ์นี่จะกลายเป็นเอ่อเป็นเครื่องมือของกิเลส วิกฤมัญญาให้ไปหาราบยศสรรเสริญจากการนี้อิทธิฤทธิธปาฏิหาริย์ต่างๆคำถามจากคุณวันนิพาเคยคิดว่าทำใจได้และเอาโหสิกรรมให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเวลาเดินผ่านใจก็ปกติแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งพอเห็นจิตไหวเหมือนละลอกขึ้นเล็กๆ เ, เห็นแล้วตกใจว่าลึกๆยังมีอยู่อีกหรือมันแอบซ่อนอยู่ตั้งใจว่าสักวัน จะเดินเข้าไปขออโหสิกรรมกับเขาตอนนี้ยังไม่ได้ไปค่ะวิธีนี้ดีไหมคะเพื่อจะให้หมดจากใจในชาตินี้เลยคือจะไปขอเขาก็ไม่ขอไม่สําคัญอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่มีแล้วจ ะ, จะไปขอก็ได้ไม่ขอก็ได้ที่ไปขอก็เพื่อให้เขาไม่มีอะไรกับเรามากกว่าแต่ส่วนตัวเราเองนี่เราไม่ต้องไปขอเขาหรอกเราอยา่าไปมีอะไรกับเขาก็แล้วกันมันก็จบแล้ว แต่ถ้าเราอยากให้เขาไม่ม kind of so ีอะไรกับเราเนี่ยเราอาจจะก็อาจจะต้องไปขอเขาแต่ไปขอเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะบางทีเขาไม่ให้อยู่ดีงั้นก็อย่าไปขอใช่เหนื่อยหรือเปล่าทาใจของเราก็พอทาใจเราอย่าไปมีอะไรกับเขาส่วนเขาจะมีอะไรกับเราก็เรื่องของเขาไปห้ามเขาไม่ได้เราก็พยายามทำความดีกับเขาไปก็แล้วแต่ มีขนมนมเนยก็ส่งมาให้เขาบ้างเอาชนะใจด้วยการาทําความดีก็แล้วกันทุกวันมันเขอาจจะหายโกรธหายเกียดเราก็ได้แต่การไปพูดไปขอเฉยเฉยมมันป็นมันเป็ น, ม, น, ป น, ม, น, ปนมันเป็นของเล็กๆ ล, กลกน้อยนใครก็พูดได้ใช่ไหมเอาดอกไม้ทุกเทียมไปกราบเท้ามันกรเท่านั้นสู้การทําความดีกับเขาไม่ได้เจ้าถ้าเขาเดือดร้อนเราไปช่วยชีวิตเขาได้แบบนี้มันจะมีน้ําหนักกว่าใช่ไหม แล้วเขาอาจจะหายโกรธหายเกลียดเราเลยก็ได้ถ้าเราไปเขาเดือดร้อนแล้วเราไปช่วยให้เขาพ้นไผ่อย่า <c> ง <oughs> นี้ั้นอยู่ที่การกระทำมากกว่าไม่ได้อยู่ที่การไปพูดไปอะไรการพูดมันก็ดีเหมือนกันแต่มันก็มันยังไม่ถึงแก่นอ่ะคำถามจากคุณปวันนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จออกจากวังไปบวชก็ไม่ได้ขออนุญาตจากพระมเหสีคะ ก็ <C> e <ever> สมัยได้ก่อนคือขอมึงอย่างมันขอไม่ขอมันไม่สำคัญอ่ะคือถ้ารู้ว่าขอแล้วไม่ได้ไปขอทำไมใช่ไหมค <nt> ำถามจากคุณวูดดี้หากต้องการถึงพระโสดาบันในชาตินี้มีแนวทางปฏิบฏับติอย่างไรแบบเป็นขั้นตอนครับก็ต้องทำทาน รักษาศีล5แล้วก็ดัดรักษาศีลห้ากัรักษาศีลแรักษาศีล8ก็ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบเมื่อใจมีสมาธิมีความสงบก็พิจารณาร่างกายว่าต้องตา ย, ต, ต, ายต้องแก่ต้องเจ็บห้ามมันไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้มันก็เป็นโซดาบันได้คําถามจากคุณวัุวัต์ พระอาหารหันต์ผู้เศรษกิจแล้วเสวยผลแห่งนิพพานอาศัยคุณธรรมในข้อใดบ้างองค์จึงได้ยอมมาลำบากสั่งสอนผู้ทุชนผู้มีกิเลสหนาและเหนื่อยลูกขันลำบากกายของท่านคือบางองค์มีความสามารถที่จะสั่งสอนคนได้บางองไม่มีความสามารถ <c oughs> คนบางคนเป็นครูเป็นอาจารย์บางคนก็เป็นชาวนาชาวไร่ เครื่องไม้เครื่องมือที่จะสั่งสอนนี่บางคนไม่มีบางคนมีคนที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็เลยไม่รู้จะสั่งสอนอยังไงก็สั่งสอนแบบรวบๆได้ออทำทานรักษาศีลภาวนาไปแต่อาจารยมาให้อธิบายว่าทาทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรละเอียดละออเนี่ยถนจัจะไม่มีความสามารถท่านก็เลยไม่อยากจะสอน มีครบาจารย์ที่เป็นพระที่มีคุณธรรมสูงท่านก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สอนท่านสอนด้วยการปฏิบัติด้วยการดำเนินชีวิตของท่านท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากท่านก็สอนแบบนั้นไปแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคนที่ถนัดจะสอนด้วยปากก็สอนไปั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า พระอหันแต่ละรูปนี้มีความถนัดไม่เหมือนกันความชำนาญความเก่งไม่เหมือนกันอย่างพระสาวริบุต่เก่งทางสั่งสอนตรงยกย่องว่าไม่มีใครจะเก่งเท่ากับพระสาวริบุตรในเรื่องการแสดงธรรมนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะเก่งเท่ากับพระสาวริบุติในด้านอิทธิฤทธิปฏิหารก็ไม่มีใครจะเก่งเท่ากับพระโมคคัลลานะในด้านของอนิสงส์ของการมีทาน ก็มีพระศีวะเลพระศิวะเลีนี่ทำบุญทำทานมามากท่านจึงมีลาภสการะมากกว่าพระนี่เป็นเรื่องของของบุญของแต่ละคนที่เคยสร้างมาในอดีต ท, ที่มาส่งผลอย่างพระ อ, อนนท์นี่ก็มีความสามารถในการจดจำฝ่รู้ฝ่ายศึกษาจำผับสอนของพระเจ้าได้หมดเลยพระเจ้าไปแสดงธรรมไว้ที่ไหนเรื่องอะไรนี่จำได้หมด เพระคนเราแต่ละคนยังมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเราจึงมามีอาชีพไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นครูบางคนก็เป็นหมอบางคนก็เป็นพยาบาลบางคนก็มาเป็นพระมาเป็นชีแต่ละคนก็มีมีบญมาไม่เหมือนกันคำถามจากคุณสีนีบรารมีสิบที่สะสมมาถ้าไม่ได้ทำต่อเนื่องจะมีวันเสื่อมไหมคะ จะเหมือนยอดกระปุกทุกวันแต่ถ้าไม่ได้หยอดเป็นช่วงระยะ <c oughs> เวลาหนึ่งเงินก็จะยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะไม่หรอกเพราะว่าเราก็จะใช้บารมีไปเรื่อยๆเ <c oughs> ช่นทานบารมีตายไปเราไปเป็นเทวดาแล้วก็ใช้ทานบารมีไปแล้วแล้วเดี๋ยวพอมันเสื่อมกลับมาเราก็ต้องมาทาใหม่ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านี้มันยังเสื่อมอยู่หมดได้ยัง จับคุณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงค่ะใช่สองสามข้อนน ะ, อะหนูกําลังจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดปุญญยาวาสเป็นการปฏิบัติธรรมครั้งแรกของหนูขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าควรทาอย่างไรบ้างคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติก็ไปถามที่วัดบุญญยาวาสเขาถึงมาถามอะไรวัดเขามีกฎมีระเบียบของเขาก็ไปศึกษาวเขาให้ทําอะไรก็ไปทําตามที่เขาบอกเลยแล้วมาบอกว่าเราบอกให้อย่างนี้เดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับเขาเองจะหาญุ้ยให้พระ ตีกันเหรอวนได้ยังนี่ค่ะเ อ, เอาสองข้อคำถามจากคุณปาปาพานอยากทราบอ น, นิสง์การสร้างพระพุทธรูปถาวายวัดเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในพระพุทธพระอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชามีอ น, นิสง์อย่างไรบ้างคะ <c oughs> อ น, นิสง์ของผู้ให้ก็คือเป็นทานบามีเหมือนกับให้ข้าวให้อาหารให อะไรต่างๆนี่เรียกว่าทานบารมีทั้งนั้นสร้างกุติสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปนี้เรียกว่าทานบารมีอันนี้สงฆ์ก็คือจะทําให้เราไม่อุดอยากขาดแคลนเวลาเราไปเกิดได้พบหน้าชาติหน้าจะมีข้าวของเงินทองรองรับเราอยู่ส่วนประโยชน์จากการสร้างพระพุทธรูปก็หยุดทําให้คนมีที่กราบไหว้นี่ยมีที่ให้เขายึดเหนี่ยวจิตใจให้เขาตระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มีประโยชน์แบบนี้ มีอะไรก็ไม่อีกข้อนีกแล้วคาถามของคุณวิลินคล้ายๆกับที่พระอาจารย์เคยตอบแล้วนะคะหมดได้ยังเล้วก็มีคําถามกับคุณชีวิตนี้เพื่อเธอค่ะจําเป็นไหมครับที่ต้องดับตัวรู้ตัวรู้ดับไม่ได้หรอกให้ดับกิเลสจําเป็นอย่างเดียวก็คือดับความโลภความโกรธความหลงดับตัณหาความอยากต่างๆตัวรู้นี่มันดับไม่ได้เหมือนกับไปดับท้องฟ้านี่ไปดับมันได้ไหมท้องฟ้ามันก็ต้องมีอยู่งนั้น แล้วราดับเมฆได้ถ้าเราไม่ไม่มีน้ํามันก็ไม่มีเมฆดังนั้นถ้าเราไปทําลายทําลายน้ําให้มันหมดจากโลกนี้ไปมันก็จะไม่มีเมฆกุท้องฟ้าแต่ท้องฟ้านี่เราทําลายไม่ได้ท้องฟ้าไงมันก็ต้องมีอยู่ไปตลอดเอาแล้วนะมีอีกไหมอีกคำถามเยอะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะจากคุณนกผู้ที่ปราถนาพุทธภูมิมาแล้วจะหัก มาปฏิฐานาสาวกได้ไหมครับได้ <c oughs> คือพุทธภูมินี้ก็จะเน้นไปการช่วยเหลือผู้อื่นก่อนช่วยเหลือตอนเองแต่พอมาเจอธรรมะของพระเจ้าแล้วที่สอนว่าเราต้องมาช่วยเหลือตัวเองก่อนไปช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ไ้ลองพลิกกลับพลิกใจว่าตอนนี้ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้แล้วต้องไปปฏิบัติก่อนไปบรรลุก่อนเมื่อบรรลุแล้วค่อ็มาช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอันนี้คือเรื่องของพุทธภูมิกับสาวกภูมิ หมดแล้วนะอ่าก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนณิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ